ก็ทำโดยละเอียนี้ไม่ไม่ไมไ ม, ไม่เคยอ่อนข้อต่อใครให้จงไม่ดีไม่งั้นละเอเยียดหวัวสับโลกได้ยงอยู่เป็นตรงโลกได้ยังไงความัตจักก็คือละเอียดความมีคาัตถจักก็คือทำ น, นีรรมันไม่ลืมนะทั้งแต่เริ่อออกขั้นพิเศษเส้นมาตั้ต่งีน เขาอยู่กับใจมันลืมได้ยังไงมันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมเป็นความจํามันก็ลืมเป็นความจริงที่เดนเนินมามันไม่ลืมทั้งเหตุและผลเหตุก็สุดเหนียวผมทติดลําบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี่ที่เกี่ยวกับด้านจิตตภาวนกาก็ลําบากพรรษาที่สุดลาบากมากทีเดียว เป็นปัญาที่ทุ่มกันนลยแค่ว่าชีวิตจะเป็ไม่รอดเนี่ยทางว่าเราจะเทียงเนี่ยแต่ไม่กรอดของมันได้มันไม่ตายปัญหาเก้าเป็นปรญหาที่สู้กับความเสลมความเจริญแเอาส่วนไปความเจริญเอาขวัญไปนี่ก็เป็นคลองทุกนนานาันปัญหาที่แปดเป็นปัญาที่จิตใจสนุกมากเพราะว่าที่นี้มัเป็นหินไปเลยค่ะ หากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแ น, น, น่ตึงกันนัะมันยังเสื่อมได้ที่ดูสินั่นทำไปมันเจริญนะสิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่อมได้นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีสความเสื่พอออกจากการพิจารณาเดินมาครับมีกต่ภาพปฏิบัติเอาจริงเอาจงางค่ะนี้เอาเป็นเอาตายเขาเลยไม่มีทางอื่นไม่มีทางออกเพราะมั น, นมุ่งมั่นมาพอแล้ว เขาออกก็จริงจริงด้วยไเอางานไหนมาแก้ลำคานเพราะความลำคานเป็นเรื่องที่เละคนงานพานาบกเป็นต้นที่กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามฉันนั่งบินลมมาโน้ยานเละในป่านตอนในกรงเทพจิมมาจนภาษาจักรพรรดมันเปียกจิมมัชจนเ็เริ่มงนี้ภษาเก็บเรื่องแล้วเรียนหนก็อยู่ประชานคนเดย มีด้านหนึ่งอยู่นู้นทางด้านรีอะห่นูนลเ ล, ล่นอ่ตลอดเวลาคืนตึงมาบางคืนก็นอนอยู่นู้นเลยไม่มาลมเขา เ, เขาเรียกเขาเรียกเที่ยวเครือนะต้นเที่ยวอยง น, นเป็นเที่ยวเครือช่องโค้งต้องเชื่อมมดีลมคมอยนั้นนุนน่นี่นั่งนอนก็ตายไม่ออกมาบางคืนมาเที่ยวแต่นั้นไม่เป็นโค้งีนี้จะสงบ รู้สึกว่าสมาธิเต็มที่ทะ้งต่าไมมันเสื่อมได้พี่พี่เพราะเราไม่รู้จักวิธีรักษามาทํากดเพื่อนหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเลยเสื่มเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างที่แห้งไม่แห้งก็าตามที่กวดที่ทาด้วยน้ํามันอะไร ไ, ไก่อูไก่อีอยู่นั่นแหะสีทาไม้เขานั่นไม่แห้ ง, งา่ายนั่นแหะจับฟังเข้าไปเลย พเพราะยืดเกลื่อนจิตจะเสือ่อมูแล้วเข้าได้บางเมย์บางนี่แกะเราไว้เสื่อมนะขนาดนั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยโอ้จิตนี้นเป็นไฟทั้งกองนะ่ะจำไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงใดที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วสล่อมไปเพียงทั้นสมาธิตรงนี้มันก็เสื่อนไดแล้วเป็นไฟไว้หมดทั้งกอง เพราะความอย า, อยากได้คืนนี่มันเป็นอั น, นแล้วความเพียรสมุขสมบับงเพื่อจะเอาจิตจีนมันเสริมแล้วกลับคืนมาให้ได้นนแต่มันเดียอย่างมันไม่ถอยเท่านั้นเองอันนี้ได้ผลมีแต่เอาเอามะมันไม่ได้เอาตายอยู่มีต่เอาตายเข้าไปีทางาษา่ครูจางภษา แ, ล, แล้วมีไ ร, รมีจะเกิยกระช่วงตะเกินกับ กลางนไม่ได้หลับได้นอนกลางคืนกลัวจิตเสื่อมพะขึ้นเต็มที่ถึงสิบนี้นอ้าวไม่นอนมันจะเสื่อมอ่ามันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตายนะมันประจักษ์โอ้ยหน้าโมโหจริงนะมันเหมือนเราพิ้งครบขึ้นจําปลวกเล้วน้าหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากําลังเราจะตั้งฐานไว้อยู่มันก็ปิ้งทับหัวเราลงไปลงไปนู้นแต่าับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ป้ายอีกเจ้าอีกพิ้งมันอีกขึ้นอีก ภาพ์ปงไปอีกเป็นคือว่ามันอิจฉาละอาจจะในเรื่องพยายามรักษาแบบนี้เอาที่นี่เลยทอดุปละมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะนี่อยู่กับพุโทโธเนี่ยแหละม่คงจะเป็นเพราะเถอพุโทโธคำบริกรรมนี้เสื่มไม่เสือเส่อมไม่เอาไม่ เ, เรื่องไม่สนใจมันเสื่อมก็เสือเส่อมไปแต่พุโทโธไม่ถอยเอาพุโทโธไปติดแนบตัดกวาดก็ไม่ยอมให้เผยเอาจริงทัง ถึงขังน้นเออเสื่อมไปที่ี่แต่ก่อนมันเสียดายมันตัวมันอะไรมันได้คุ้นข้องกังวลยุ่งในจิตไงระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้นี่ปล่อยเลยเอาเสื่อ ม, มไปแล้วไปเถอะสมุโทโธจะไม่เสื่อมจะตายกสมุบบโทโธ่ามันไม่เสื่อมที่นี่จึงรู้ว่าอ๋อจิตเสื่อมนี่มันแยบออกจากนี้ยังไม่มีดับจับได้ทันทีเะนั้นมันไม่เสื่อมเลืย พอถึงโดนพึกงพามานม่าออกแล้วทีนี้ถึงจะมีสามมาแล้วจิดไม่เสื่อมเลยทีนี้แน่วแนวแ่วแน่วขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นทักษาแปะก็แน่วชัดแล้วที่ไม่ถอยจิดเสื่อ ม, มยังไงมันผูกอากาศนะมันเป็นอากาศฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนี้ห น, นักฆ่าคนพูดที่ทําให้เสียดแช่ขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้น่ เลยค่าขอใหลยค่าคนนั้นถึงเราจะตามเมื่อไหร่ก็ยอมตาขอให้ในค่า อ, อ, อ, อ, อย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอหิุดมันขึ้นได้แล้วอ้าวนะที่นี่นาวะเหมือนกับขึ้นในควันช้างขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอสาบลงจนร้องโอ๊กโอ๊กมันยังไม่ถอยเรากัดทันเหมือนกับดังก๊อดก๊อ่เลยนะมันมันเป็นอะไรนี่มันเรื่องมากนะนย่างนะอืม มันอาคาดกันขนานดะนี้มําเป็นโรคแล้วก็คิดหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมพวกความเจริญฟาดมันลงจึงนั่งหามนหากรรมได้ที่ห น, นักมากนั่นนะัาษา้นักเป็นภาษาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายทางจิตใจก็แข้มแข็งแเต้นที่ ร่างกายก็บอกช้ำมากทีเดียวในพรรษางกลางวันตั้งศัตรูไม่นอนกลางวันเลยตลอดพรรษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วแมยเรานอนช่วงยิบหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็กขอนแต่คําสอนนี่มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเขาไม่ตั้งไงนั้นขาดก็บ้านทาเลยซึ่งอย่างเาไม่นอนกลางวันไม่ได้ําหนี้เจ้าของว่าน กด้เผลอตัวไปนอนตลางวั น, นเรื่องของความชอบทําของร่างกายเหมือนกับว่ามันแตกเน่าเปื่อยไปหมดทังหลังความเจ็บ ค, ความปวดความเจ็บความปวดมันหอมรัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติติ้วติ้อย่ออยากให้หายใจมันยิ่ยยาายงกำเริกว่าเห็นทษมหมดเห็นความจริงมันหมด เป็นอาจารย์สอนอย่างอืกนทีเดียวอยากให้หาเวลายิ่งกําเริบอ่าไม่ต้องการอ่าม่รู้ความจริงตามของทุกนี่เงี้ยปล่อยแล้วความอยาก ห, หายโค้นตามความจริงของทุกหมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกเทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเท่าเป็นได้สัตว์ได้สูงแล้วมันก็ลงห้างมันอ๋อเวลามันลงที่ใดนันอัศจรรย์จริงๆงนะ คือไม่เคยาดเลยแล้วนั่งตลอดลุ่งคืนไหนต้องตามเป็นคืนที่ได้ความพิจารทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนานั่งตั้งแต่จ่าฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดลุ่งเ้าจิตมันจะมีเวลาไปเกี่ยวเพพ่อนๆท่านไปอย่างไงสละบลงถึงเป็นถึงตายจิตมีจะให้มันได้รอดไปได้ยังไงนั่นที่มันทุกข์อันนึ่ไม่ยอมให้มันออกจากนี้เลยเวลานี้เป็เวลาเราสต่ตายตาคต า, ตาอ ย, า อ, ย, า อ, ยาอยู่หนุนหนุนเตี้ยว นี่แหละที่ว่ า, าตไ้งอยู่ในมูลนาโถมันเด่นตรงนี้แล้วมีที่พึ่งพึ่ ง, ง, งอะไรพึ่งไข่เวลาจะเป็นตายจริงมีไม่ดุรร่างกายเหเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลยจนะิตปัญญาก็หมุนเตี้ยตรงท่ากลางกองไฟมนะัจนจะแปกกระจายกันออกแล้วอนพูดคเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับบางทีดับมดเลยไม่มีเหลือนี่แนะผมเป็นสองอย่าง ดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกต่ว่ากายมีเนี่ยอยู่ในเหมือนก็อยู่เป็นอวกาศแต่ไม่มีกําหนดว่าสูงต่ําอะไรไม่มีหละมันเหลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอัศจรรย์ที่อยู่กับความรู้นั้น่ะสักแต่ว่าเท่านั้นเน่ยโอ้โหจิตเป็จอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้หนังมันดูชันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้่ะ นั่นมันยากด้วยความจิตด้วยภาพปฏิบัติมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับกายมันเป็นเดียวกันเมื่อไหร่เนี่ยพิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่นมาตายอะไรมันตายอะไรมันตายแย่ถ้าแต่ไปดินกับเป็นดินน้ำกับกายเป็นน้าลงกับกายเป็นลมไฟเป็นต้นเป็นจักจั่งในตระหนักรู้นี่จิตก็เด่นตัวนี่จิตมันจะเป็นจิตนี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ชัดมันตายได้อย่างไงเออตายเอไอ ธรรมาตามโกหกกันนะถ้ามีอะไรต่าหนักเรืองคัะแล้วมัฏขานุก็ต้องถึงเวลาวาราจะตายมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราว่ะน่ะทุกขเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกขเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดิ้นที่ปิญญารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างกระจัดมันจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายน่ะ อาหารตึงตึงหนึ่งันหานี้เป็นปัญหาที่หนักมากสำหรับความเพียรมันเกี่ยวกับร่างกายนะหนักมากจริเหมือนเราพ่นแต่พองนั่งองนี้ออกร้อน ท, ท่ออะไหท่อความจิตมันจะลงได้บางขื้นมันนานนะต้องหกทุ่มลง น, ม น, นั่นแหละมันนั่นแ่ละตอนมันมันบอกท้า ม, มากทั้งๆนั่งหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมัน ก็รอร้นเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยพัฒมาได้ดีนะถ้าวันไหนฝนพํานั้งนั่งตลอดลุ่งนุ๊กโอ้ยมันช่วยได้ดีที่สุดเลยกําหนดพิจารณาไปนี่เหมือนกับหินมันตับคมๆเนี่ยตับตรงไหนติดตาติดตากำหนดตาพุ่งพุ่งทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายส่วนใดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอย่างนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบาย เหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาพอธรรมด า, รรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะท่านที่จวลาชั่วโมงเท่ากันจิตจึงเป็นของสาคัญมากว่างนั่นเลยยอมรับทันทีที่สรุปความเมงแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจะยากขนาดไหนก็ตามทาอัศจราย์ต้องได้เจอกันทุกคืนทําอัศจราย น, นั้นที่เราไม่เครู้ไปเห็นมันไม่มารู้มาเห็นติดติดกันไปเล่อย ในใจความเชื่อแน่จิตตายไม่เป็นนี้มันเชื่อจริงจริงมันชัดมันเงี้ยวหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ทำไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมดอ่ะหากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นะในขณะนั้ น, น, น, นพูดไม่ได้ต้องว่าพูดได้แต่แปลทุกคนว่าเราจะน่ะสักแต่ว่าเพราะนั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ไน่าไปยังข่าว นั่นแหละคือธรรมชาติอาตจานทรคแท้กระทั่งที่ตอนนั้นเอิอวิชากระหอบห้อมอยน่นะสมองกวาดจันทร์ไม่ใช่เรื่อนี้หรอกนั่นต่อยขอมดความรู้สึกทางร่างกายไม่มีเดินางดับมดร่างกาย ก, ก็ดับเมื่อกายหมดความหมายนั่นหมดความรู้สึกคือหมายความว่านั่นหมดหมดไปในความรู้สึกของกิตแล้วเดินางทางการมาจากไหนมันไม่ม า, มาเนี่ยกไรไม่ก่จิต มันมันจะถอยตัวมามันยิยับๆว่าซ่าออกมารู้ยร่างกายมันนั่งต อ, องมงเนี่มันก็มาลุ้ยร่างกายมีนาปีพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นนะขึ้นต้นนอดกันอีกแต่ถ้าเราจะเอาอบาปเก่าที่เราเจอพิจารณาได้ผลแล้วมาพิจารณานี้ไม่ได้นะมันเป็นสั ญ, ญาอดีตนะมันต้องคิดขึ้นใหม่อีกให้ทันันกับเหตุการณ์เวลานั้นทึงเรียกว่าปัญญา มันจะสร้างข้อกับว่าตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าวอาดีตมาใส่โอ้มันมาหมายอย่างนั้นดุ่งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องผิดขึ้นมาในวงปัจจุบันมันมันทันท่วงทีนี่นี่ยอัตยีโนโถนาโถเวลาจำเป็นจ ร, น ร, นรนิไม่มีผู้อาศัแล้วโอมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองถึงถึ ง, ถงปัญหาห น, น้านีอบอกช่างมากผมเขานั่งกระรอลุ่ไม่เคยขึ้นคือเยอะตั้ โอ้ยกลางคืนสิบกว่าคืนละมัง้งนะครับไม่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่ไม่ใช่ใชนั่งติดติกันไปเล่นคืนเล่นสองคืนอย่างน้อยเล่นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนที่อาทิตย์เป็นพ่ อ, มอแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเรากลบเดียน่านเลยโอ้ยจนตะกวอมมันกลัวท่า น, น ม, ามากนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วอุม ทำความกลัวไม่ทราบขนาดมีแต่ความกระยิ่งในจิตอยากจะเล่าสมายท่านแต่ท่านช่วอุบาลเนื้อขึ้นตอนอย่างเงี้ยจิขสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวายท่านท่านมันต้ออย่างนั้ น, นท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่วะท่านก็โยนที่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตาห่าอยพอพอจะหอมอยู่ร้อนก็ใส่นหนักคนน่าก็นั่งเข้าเริยนออกภาษาท่า น, านมีทะเดียนนะ นั่นแต่นั่นแหะท่านรู้ในิสัยม้าเวลามันทันมาพลิกขนองมันผ่าโผนนายทะเลถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินยากใหม้ห ม, มันติดเห็มว่านีอมาถึงเมื่อพอฝึกได้แล้วก็ลดการทรมานลงไป มาตรไหนที่สุดง่ายก็ทกินกั น, นไมกินงนางาะนั้นท่านย้ำนะที่เรศไม่อยู่กับร่างกายหงมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่อ ง, งส่งเสรุมนะครับที่คนจะดักมังก็ดักเวลาที่คนพอรู้เรื่องกันแล้ว แต่ถ้าท่านเขาว่าขอนสั้นขอนยาวท่านก็มาว่านะครับเป็นเงื่อนอย่างนั้นเป็นเหมือนจะให้นึ่งให้รู้จักประมาณดูเวลานี้คิดเดี๋จิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดง่ายได้หลักได้จริงเนี่ยวควางคนจะทรมานถึงขนาดนั้นความรู้สึกลดลงลงมาแต่ท่านไม่ได้บอกเหล่านี้เพราะท่านรู้นิสัยเราถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนไมไปปอนเปียกไปเลยท่านเห็นยากเพราะเราเข้าใจ ทุกขมากในร่างกายมันเป็นสารนั้นสานั้นมาแล้วสมาธิโอ้แน่นเป็นหินไปเลยเ ป, ปัญญาไม่เข้ก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะอะไรมีแต่จตกับสมาธิังบสบายสบาแล้วถามไปไงหมาสบายดีสบายอยู่หวังถามด้วยพอถึงปีที่ห้าตั้งแต่เข็มก็จะหลงคลิดไปจะตายแน่นเลยถึงทันทีงั้นรู้รไ้ว ธมาที่ตั้งแท่งเป็นตัวธรมดาตั้งแท่งรู้ไหมความสูงในธมาที่เหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมเอาอะไรนี่นะใส่ต๋องต๋องรู้ไหมาทาง น, นี้กับเต้าท่านมึงสู้ท่านไม่ได้หรอท่านรู้เนี่ยแต่ทุกคนที่จะดับแล้วพี่เขาจะใส่แลน้นที่ออกไปแล้ไปพิจารณาสามดวงสันวกูไปจริงิงตั้งดาเนะี่โอโ้โหดูว่ามันออกอืก็เหมือนกับเครื่องทําครัวเราเอามารวมไ้หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทําครัวได้ แต่เราไม่ยอมทําจะให้เครื่องปรุงแกะปุงแกงนี่ถ้ามันเป็นแจงเลยมันเป็นไปได้ไหนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้อย่างไงมันจะเป็นแจงได้ยังไงเราความหมายงั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยงไงก็ต้องอมาปรุงข้อนันเป็นแจงมันจะเป็นได้ต้องมาผิดเครื่อให้เป็นปัญญาที่เป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทําครัวได้แต่สมาธิมันพร้อมแล้วเนี่ยเพอท่านว่างนั่นเ เป็นที่แลต่อสู้ท่านเป็มที่ลงมาแล้มาที่ารณาดินน้ามันถึงออกเลยเอ๊ะชอบฝนชอบฝนนะทินนะแต่นั่นมันก็ถึงถึงเลยมันเร็วพราสมาธิมันเป็นมาสักปีห้าปีมันเต็มไม่มีสงสัยเรื่องสมาธิใครจะมาโตหกยากว่างันเลยไม่ใช่คุยอืมเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นผึ่งเป็นหินไปเลยกําหนดเมื่อไรได้เหนั้นเพราะมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเก่งระงับกระแสของจิตเท่านั้นเอง พอกาหนดปั้นมันหายหยับไปเลยเหลือแต่ความดู่ดนแนวอยู่นี่มันก็เลยจะตื่นนี่ละนี่ผ่านจะเป็นอันนี้เองตื่นผ่านอยู่นั่นเลยอยู่นั่นเสียเอาไม้ทั้งต้นมาทําเรือนมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไงนี่เขาตั ด, ดาาต้นตัดปลายมาทาแล้ว็เติมเขาจะเป็นต้นเก่าหรืเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนีะเอาสมาที่มาเป็นนี่ผ่านเป็นได้ ออกของน่งานออกออกออก็จะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบราณออกที่กลับมาเห็ น, นโทษมันก็เลยเกเออธมาธมันนอนไปเห็นอนนั้นกว่าธมาความรู้แนวนี้จะเป็นยึดานที่ไงได้มันไม่เป็นหนินนะ่ะยึดเหล็เต็มอยู่ในหัวมันมันหนะักหัวธรรมาพี่มันหนะักวามันถาดางฟาด ฟ, ฟันอะหรอไม่รูเงียนั้นนิ้วแงี้นี้ ตัดออกมากังออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลินเนะจิตตัดกิเด็สออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลออกส่วนไหนมันออกนี่สนไหนมันออกนี่มันดิบขึ้นดิบขึ้นมันเห็นเนี่ยชันทางจิตขาดจากการรู้จะชัดทัดชัดชัดโอ้โหหลังนี้เองกันด่งนี่เองมันก็เพลินเอาปัรญาฝ่าไม่นอนไม่ได้คืนนอนไม่หลับหลับได้ไงทำงานกลางวันเราฟาดดึงกลมทั้งวันตัดเท้าร้อนเหมือนไลย ขึ้แต่หาทงนี่พออูาแลให้ทิ่จะนาฐานปัญญาที่มันพิจะนาเนยจนกระทั่งไม่หลับไม่นนนั่นมันหลงสังขารนั่นเอเลยนะท่านทำไมที่จะนามันก็ไม่รู้นั่นแหมันหลงสังขารบ้าหลงสังขารบ้าสังขารหนาคือที่มันนิ่อไหมันเคยยนึดข้าวกอนท่ามาที่ต่อสู้ท่าชื่อนไท่นยึดตรงเป็นเน่านว่าม้งมัองไว้ออกทาแต่ไม่ถอยนะทีนจะนาจนกระทั่งมันจะตายจริงเนา มันเทียนนยักยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นไม่มีสมาธิเลยเรง บ, งบังคับก็ไดสงกสกุลมันสบายมันโอเหมือนถอดเทียนถอดน้ำมาพอได้กำลั ง, งมสมาธิเราอดจิตมาปั้มก็ปุ๊บเสริจงานเล ย, ออยไม่น ผมจำได้ไม่ลืมนะอย่างนี้มันจะลืมได้ ห, นหนราะอออกปัญญาจากขัางการเฉกไปแล้วไปนานๆทั้งทงุจริตทั้ ง, านาน ง, งรูปขันนี้หมดปัญหาไปเลยรูปขันหมดปัญหาแล้วมันล่อกันตางเตือนที่อาจารนั้นมันก็จำไดอ้อันนี้ริงจำได้เป็นเดือนไปเลยทำงานสักทารย์น้ำตาลนักทุจราท นี่ยมันตั้งแปดเดือนอืมปัญญาท่านขั้นรูปรูปขันนี่มันโอ้เหมือนกำนัำลไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกำนัลตกอย่างนันเถะนะอาจ่าจากเทือนไปหมดภูเขาก็ปรากฏว่าแต่พอปัญญาขั้นาา น, นามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาอยู่นะ มันเหมือนน้ำซับน้ำคุณไหลนี่มันตลอดเวลาจนพูดมาได้ามันเผลอเมื่อไหร่พี่ดิตั้งแต่ตื่นนอยขึ้นมาจทังแบบนี้มันเผอตัวมาไหร่มันไม่มีเลยมันลอกผิดตลอดเลาแม่แต่ฉันในขันนี้มันก็เคยเผลอตัวมันทำงานแล้วมันตลอดหมายถึงนามาขันได้แ่พวกเวทนาตั้งแต่ตั้งขันอย่าพเรายิ่งสัญนาทั้งขัน มันหลักสำหัผมเอ้ยยินยังกับโดยธนาความจิตก็ไม่ค่อะพิจารณาะไรบ้างจะมัเอ้ๆความปรุงมิแยกขื่นน้าหมามันหมายนี่มันก็หนักตามมันหมุนเตี่ย่ามันก็เกี่ยโยงกันหมดแหะเนาะถ้า่านังันพิจารณาหนึ่งมันก็กระเทาอันนี้ทุกทุกภายในคนร่างกายจะทุกเห็นอย่งเดินใกมนีไม่สาลย กี่ชั่วโมงนี่มันจะทุกแต่ไม่ได้เหมือนเรานั่งตลอดลุ่งอะไรประการการประกอบเปลี่ยนในยาบุตต่างๆไม่เหมือนยาบุตนั่งตลอดลุ่งเลยทำหนัผมกางร่างกายบอกช้ามากแล้วเดินมีผมนั่นมันก็ไม่เห็นอะไรนั่นไม่รู้สึกตัวนว่ามันเหนือันนี้มันรู้จริงๆเป็นายทั้งกองเผาหรือของต่อสู้อยู่ในธรรมกายแห่งกองไฟมันก็รู้อยู่ที่พันอเวลาเดินมีผมมันเห็นตัวมันมันเพลินอยู่ภานเหมือนกินอยู่ ท่นจึงบอกพรรษาที่สิทิ์เนี่ยทุกมากจในประวัติยุคนี้การพรรษาที่สิทธิทีุ่กมากที่สุดเขาเป็นการต่อสู้เอาร่างกายครับเป็นเผาเลยกันกับความเพีอนมันไม่มีจะใจมันทุกทั้งร่างกาเยเลยร่างกายบวก้าไปด้วยนอกจากนั้นไปแล้วมันก็ พอถึงขัง้นปัญญาแล้วทีานกาทําไม่ใคระไรมีแต่จิตหมุนตื้ืมันทุกข์มากนี่ที่เวลาไปถึงขั้นปัญญา้วนั่มัน ma. ทุกข์ทางใจมันเด็ดจิตภาในใจไม่ใช่เสื่อมกายมากอะไรนะบถ้ทางปัญญาคือทางคิดทางปรงทางพิณิติกันหาไะมก็ทุกข์อ่อนเลวเนาะทางในสมองใจรู้สึกว่าอ่อนขี้ยาง มันเศร้าโดยท่านว่าสมองสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาเขา้าใช้เนยก็ว่าจิตอยู่บนสมองก็ได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างั้นเลยะมันอยู่ตรงนี้ทางนังสว่างแม้แต่ความสว่างสลายก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความพุ่งสร้างตอนที่เราดัไม่ชาดชัดมันก็รู้อยู่เชิงตรงนี้ไม่ชัดกัตาม นี่พอความสงออกมันก็ดิ่ตรงนี้ความฟ่องใสอยู่ที่นี้ความละเอียดลออของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยได้เนี่ยอะก็ตามออกจากนี้ออกอย่างนี้ได้อย่างไรครับมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้มีไคโกหง้ามันเึงตรงน้ใช้สมองใช้สมองฟูโรคเขาไม่มีฐานของจิตใช้สมองกุมหัวออยู่ มั้นเราไม่ไปนหนงานเราเม็นอยู่ตรงนี้ยิ่งวลาจตายอ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู่ตรงนี้อยู่ร่างการหมดความหมายแต่แล้วเงือแต่จิตที่จะดึกตัวแน่อเนเดียวมันก็อยู่ตรงนี้แนะมันมันไปอยู่บนสมองสมองก็เหมือนต้นไฟ้ต้น้นไม้ต้นฟื่อันหนัหนึ่งกก็ส่วนนี้รู้แท้ๆอยู่ตรงนี้ ทุกงานพราะคุ้มจริหนึ่งต่อที่เขาพเดตแต่มันทําให้ภูมิกันะย้อนหลังไปทพิจารณาย่านหลังว่ถึงความเปี่ยนน่าภูมิใจนี่ที่จะนี่ที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักล้วตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึกบืนเอาเป็นอาตายขวาอย่างนั้นแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลําดับลำมันไม่ธรรมราผม ทำความเพียธรรมดาเหมือนเพื่อนหม่เพื่อนทั้งหายทำมันไม่ได้นึ่งต้องมัดมือชกเเลยที่เดือดจรงพอจะคือสลากปอกเปลืบ้างความปัญญาไม่เห็นชัดมันขาดจริงิที่เดือดตรงไหนขาดแต่มันรู้รู้เลยชัดชัดชัดชัมันเด่นขึ้นเลเหมือนเวลามันขาดโดยการทั้งฝวงเราทำใหม่มันจะไม่หรูเหมือนโลกธากไหว มันเคยพัวพันกันมาเป็นหนึ่งอันเดียวกันมากวัตถุระหว่างที่เหลววกตถุเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันแตเวลาพิจารณาเข้าไปสู่จุดสุดท้ายความละเอียดของยีนของยิเล่เอ๊ะมันเป็รูปมันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวหลักตัวฐานของมันตัววัตถุจิตวัตจักรวัตถุจิตจริงมันอยู่ตรงนั้น ฟันแหลวอะไรมาเป็นมัตต์จีอะไรมาเป็นมัตต์จ๋ามันโู้ได้ชัดนะมันนี่ปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไ่คิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปที่การและตาลติกายแิะนาคิธรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปพิดงานนู้นอย่าไปคิดงานนู้นค่าเป็นโครงการแต่อย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคพิสัยมันค่ามันหมายมัน แน่นอนภนใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกา ย, ายาาก็ตามเวทนาก็ตามปิติก็ตามคขามรำคาญมันลไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเช่นทุกเชื้อผู้ไทยไมิโลมากกันเหมนกันมันเป็นทำเกี่ยวยงนะชาติภาคพิบัติทุกให้ถึงกาหนดรู้เชื้อผูไทยลาี่โลคนตามได่แจ้งมัดมันเดินขึ้นมากแล้วจะไปทหน า, น, นาที่นีต่างนี้มันตายเลย กเรเรียนไม่ว่าเราเคยเรียนยยนะก็เป็นอย่างนั้นมันค่ามันหมายนั่นบางเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงคารามจริงแล้วประสบะการณ์ในสงคารามมันเป็นอย่างไงมันรู้สิอ๋อเป็นอย่างนั้นเองทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่จะให้มันเป็นอะไรอีกเวลาที่จะงานมันค้นเป็นสาเหตุมันทุกข์มทุกมาต่างหลายอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทัย ขึ้นเป็นนาคสาคัญขึ้นความสําคัญมันหมายความยึดว่าทุกเป็นเราเราทุกนั่นเองเป็นตัวสุมูดไทยร่างกายไม่เป็นแล้วตัวสำคัญมันหมายแบบเขาแยกนั้นแยกนี่อย่างชัดเจนนั้นมันกัดแตกกระจายกันหมดเหมือนต่างอันต่างสี่หนื่นนี่เวทนาก็าสัพจะว่าเวสนาทุกขนาดไหนก็สัพจะว่าทุกมันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกเกี่ยวกัเรา การก็สัสวะกายแล้วมีอย่างนั้นตั้งทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วการมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายขึ้นมาจิตมันมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันก็มีอยู่นี้มันจะเงียบกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนอจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัจพจน์แล้วถึงทุกประเด็นฝ่ายทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเนี่ยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจโดยสากเก็นเหตุใดถึงขั้นละเอียดสุดแล้วว่าสุดสมมติแล้วนี่นะจิตดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาสมัยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างอย่ันเลยหนึ่งอย่างนี้ จ, จะพาทุกคุณมาเทศน่นี้ผมโสะดุดใจปั่นเลยทําไอ้พูดเขาท่านเป็นคดีวา่าท่านพูดไปตามนั้นขาะพระพุทธเจ้าก็สมัยทุกขเวทนาหว่า ผมฟังอยู่นี่หืสุคุณจะฟ้าแบบเห็นได้อย่างรับสังพระนนรลากทั้งคาติเนี่ยรสังนนัหน้ามาโตก่อนท่านก็เป็นทุกข์ ท, ท, ท, ท่านก็โศกท่านนี้มันสบุปัน่นเงินเส้นเดียวกับว่านี่พานเป็นอาาแหบมสุดเข้าๆกัน <S <S รับสนนั่งพระนมินทร์ไปตหน้า เรพูดเราจะพูดให้เห็นกันอย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนักรู้เรื่องธานเรื่องขันเรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นน่ะอานน์ขันนี่มันกําลังจะสลายตัวของมันมันกําลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ขหมายกันแล้วกันแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ํามันต้องการพักผ้าผ้าทั้งพาดีให้ขันนี่มันพัก ถ้าบ้า ง, างอนุนความหมายว่ายงั้นตัวตถาคตเองคือความบริสุทธิ์ไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่อ่ะมันทักอย่างนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูดตถาเราตถาคตเองก็ก็พูดตามขั้นสมมุตินี่อ่ะนี่ตถาคตเรือนหน้าตถาคตเนี่มันเสีอบอกให้ท่านอนท่านทันตาจีนจะทัดนะมันเสียบว e ิส nah ุท so ธ so ิ์ที่ทำเสียแล้วอยง เห็นไม่ัิทพระหารดวงไหนองค์ไหนที่จะมาเสวยทุบเลยขนาดบรรลุเข้าไปดูชี้ทำนี้มันก็ประจักอืเองพูดเฉยๆไม่ประจักษ์นั่นถึงจิตเจ้าของเลยสามโลกธาตุมาพูดให้มันเอ็นไปด้วยไม่มีทางว่างั้นเลยรามันรู้วิธีจิตประจักษ์วิธีจิตบริสุทธิ์วิธีจิตนี่แล้วอะไร ความทุกข์ในโลกธาตุนี่ที่จะทามาบีนบังคับจิตนี้ให้เอ็นเปตามเป็นแต่ไม่ได้เลยเพราะสิ่งนั้นเป็นสมมุติทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ถานะที่จะเข้ากับสมมุติได้เลยตั้งแต่ฐานะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความมืดสุดแล้วเท่านั้นเองนันยืนตัวเลยเป็นทุกข์เพว่าโอ้ทุกข์นั้น เ, นนเป็นหนึ่งว่าเบสุิ ธรรมชาติมันมีเอ็นเสียเองหรือว่าอะไรเอมันมีเชียนนั่นป่วนดี่ว่าว่าไปตามเรื่องนั้นาา อ, อ, นาารรอนนะไ ร, รอย่างที่ว่าถาพตอ่ากอนเป็นทียนอนุาธรรมชาิมันก็แบบเดียวกันนั่นะมันจะไปชุนชุนตัวอะไรกับนนะทันนะมันก็สมมุติอันนี้จาขขงทุกหน้นาตาเนี้ยสมมุติรูปัง อนัตตาเวทน า, า, ญญานัตต์ทั้ง่างอนัตตตั้งค่ารานัตตาวิญญาณัตตาเขาบอกเว่ามันเป็นอนัตต์มันเป็นสมมติทั้งหมดจิตที่โวยสิ่งแรกเป็นสม ม, ต, มติได้อย่างไรตอนน้ำขันอตอนมันจินในจะของเราโอ้ใครจะมาโกกกมาเถอะสามย ก, สายกก้านก็ไม่ไห ว, วมันต้ตตองว่าสันที่โกมันประจักประจก้ปฏิบัติจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไง สามโลกข้าจะมีแต่สมมุตินี่มันจะมาแบบเดียวกันหมดจะเป็นหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้เป็นยิ่งมุเนี่ยมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นจะเอาคาหวังมาให้จิตดวงนี้ได้อ่างรงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะเข้ากันได้เจะหวังกันได้จะหลงกลของสมมุติได้หรือว่ามันถึงขั้นนปนี่เป็นกล้าพูดว่าพระอรหันต์ท่านน่ะ ถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติเนื่อนะไม่เกี่ยวกับผู้หนึ่งผูดด้ใดภายนอกเลยเนยีความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ำหนักเท่ากันนั่นแหละวานียู่ไม่มีอะไรยิง่งใหญ่กว่านั้นความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเป็นติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งความเป็นอยู่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งที่เรียนจบแล้วเป็นจะเพียงว่ารับผิดชอบ พอถึงการของมันเท่านั้นเหมือนกันแล้วท่านไม่มาวังเอามาผลนิพพานอะไรชากขันอันนี้ต่อไปอยูแล้วท่านจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักในเงี้ยไะ้ผมดีไม ด, ด, ด, ดีถ้าหากเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราเวเป็นจากขคันทายเป็นแสงกังวลไม่ต้อง เ, อเป็นแสงความรับผิดชอบลำบาก ท, ที่เก็ยบยุ่งกับมันต่อซะดีสบายนี่ท่านจะไปทางนี้จะได้ แต่ท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ไปกอเรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วตรงตรงตรงตรงไหนอะไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมาตื่นเลยอย่างนี้ว่ามันลาคาหรือว่ามันวัวอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็วัวอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นนะไอ้ถ้าอยู่ประจำสภาพเสียทำไมออกช่องนี้ท่านนี้หากว่าพิจนาถึงเรื่องประดุจที่จะทําให้จักรโลกประชาชนทุกมาเกี่ยวข้องดังนี้เปิดสารับประดุ์ให้ท่านดู ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ำหนักหน้ากันนะความเป็นอยู่ดีมี น, น้ำหนักหน้ากว่าความตา ย, ตายท่านก็มอบเหตุผลให้กับ ค, ค, ความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่นี้ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยจนกระทั่งถึงวันอาลาสานถ้าตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านัมีชีวิตอยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมา เห็นเหเป็นผลแล้ว ก, การดูมีน้ำหนักมากกว่าการตายตานี่เท่านั้นด้วยเหตุผลท้านไม่ใช่ด้วยการติงฮ่าอ้าอผูุกรนมันนี่มันเล่นออกแต่เปีมรร ม, ม, มันกัจธรรมอ่าเําคำยาอธิบายเพื่อนก่อนหาไม่ได้หานอนเลยนะ